บ้าตายที่เธอทำอย่างนั้นถ้าจะบ่าตายทุกทีเลยก็คิดถึงเธอทุกวันคิดว่าเธอฉันเป็นเหมือนเขา ฉันก็คงเหมือนกันเลือ่องคนที่ฉันตัดสินใจว่าดีพอต่อให้บอกกับเธอว่า I just w n t o e with you. หัวหัวใจ ก, กว่าชีวิตที่ฉันมีอยู่ก็คงไม่มีทางเปลี่ยนใจเธอจากเขาแต่ฉันเป็นยังไงให้เป็นงั้นฉันไม่ว่ากันมืนเธอได้เลือกเขา ฉันก็คงเหมือนกันเลือกคนที่ฉันตัดสินใจว่าดีพอต้องเลือกคนที่ฉันตัดสินใจว่าดีพอ